1. จีวรวัค 3. าตติยะกัทถินสิกขาบทว่าด้วยกถินดอกข้อที่สเรื่องภิกษุรับอาการลจีวร497อ49สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้น อาการละจีวรได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งท่านจะทำจีวรแต่ผ้าไม่พอจึงพยายามดึงผ้านั้นให้ยืดแล้วรีดเป็นหลายครั้งพระผู้มีพระภาคเสด็จไปตามเสนาสนะทอดพระเนตรเห็นเธอพยายามดึงผ้านั้นให้ยืดแล้วรีดเป็นหลายครั้งจึงเสด็จเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นครั้นถึงแล้วตรัสถามว่า เธอพยายามดึงผ้านั้นให้ยืดแล้วรีดเป็นหลายครั้งเพื่ออะไรภิกษุนั้นกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ผ้าที่เป็นอาการจีวรครั้นจะทําจีวรผ้าไม่พอดังนั้นจึงพยายามดึงผ้านั้นให้ยืดแล้วรีดเป็นหลายครั้งพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเธอมีความหวังจะได้ผ้าสําหรับทําจีวร อ, อีกหรือ ภิกษุนั้นกลาบทูลว่ามีความหวังพระพุทธเจ้าข้า